พระธรรมเทศนาแผ่นที่73าลำดับที่11โดยหลวงพอ่ co, พออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่13มกราคม2 5 5 8มีชื่อเรื่องว่าอย่าจองเวรกันในลูกหลานจากน้องคาย เมื่อวานนี่ก็ลูกหลานน้องคายเพิ่ีกันวันที่สิบเอ็ดนะวันก่อนเสียตรงลูกนี่แหละเป็นญาติโกโหติกายของคุณย่อมกิมกายนี่นะนะเครือญาตินิมนต์คู่บาทรรบุญหลวงพอ่อผดวัยยุบในีหลวงพ่อล่งไปกรุงเทพแต่วันที่สิบก็เลยทรงให้ทันรุ่น จะลุนไปเป็นตัวแท่นไปวันที่สวันที่สิเอชาวไปสวด้นชั้นเชาแล้วก็มีลกพ่อชารลีผู้ก่อนว่าเป็นประท่านทรงสวดมนต์ชั้นเชาที่บ้านเสียตรงลกพ่อก็ถามเลยเอา้าจเป็นได้ได้ ท, ทุกปีครับบางปีบ่ถ้ำรู้สึกว่ารถกิจการงานมันไม่ปัญหาลงพอนะคารว่าปีใดถ้ำบุญรู้สึกว่ามันเรียบปล่อยการงานก็รู้สึกว่ามั น, น, ม, นมันลื่นขั้นสั้นรถขั้นนึงละเบิดรถ ล, ดลงังนึงเครื่องเสียรถขั้นนึง มันหังมีแนวเป็นไปนี่อีลุ่งตุงนัง่งอีร่งตังนุ่งมาท่านไนข้าได้ทาบุญแล้วนซนื่อว่าทุกอย่างก็เรียบเรียบร้อยงานเข้าไปได้ดีม่มีโบมีอุปสรรคผมก็เลยได้ทําทุกปีเสียตรงเพิ่นว่าให้หลวงพ่อฟังเพิ่นมามิมมดหลวงพอ่อหลวงพ่ออือง เมื่อใก็นี่แหละสัตว์ลูกหลานจากน้องค่ายคุณแม่เต็มครูหาทองเป็นลูกศิษย์ลูกหาเก่าแก่ของหลวงตาสมัยอยู่บ้านตาดลงพรมนกนมาทาบุญนี่แหละเพิ่นสื่อจักสมัยน่จักยิบผ่าเนี่ยที่โยมเต็มเนี่ยะสื่อเราว่าท่านสมัยที่สดในยุคสมัยนั้นมา ซื้อมาถวายซื้อมาจากทั้งเมืองเวียงจันทน์หมดเลยไม่ถวายลงตาจนพระใส่พ่ะเป็นหมดลไปยังว่าเป็นยังใส่พ่ะเป็นมันสอยกระดุมก็มี่เฮงก็ะมี่อยู่ในหันหมดเลยจนพระเอาไปจากแนวสิใซหม่ลงไปว่าท่านสมัยป่านั้นแหละย่อมติีมสมัยนั้นหมดลไปหมายมือสมัยเมือสามสิบปีกว่าให้หลังนี่แหละเป็นคนเก่าแก่ ลูกชิดลูกหาองค์หลวงตานางราวันกิมเลียวเยสกุลอันนี้ก็เป็นแม่ของหลูกของหลานนางกีบแซ่ตั้งนายองจักเมง้งนางมารินีแซ่ตั้งอันนี้ก็พือล่วงลับไปแล้วแม่นบอลเนะพนตายไปหมดแล้วแม่นบอ เออนี่ยทบุลูกห ล, กลานในวัาทำบุญอุทิศส่วนกุศลแล้วก็มีนางรัตนาคาคูณพี่สาวของยมทงยมทง่งอันนี้ป่วยอยู่อเมริกาแล้วก็ฝากจะถูกปัจจัยมาทําบุญคือกันให้กูบาอาจารย์แพ้เมตตาหอหายจากโรค้าพยาธนะิเลูกหลานศรัทธาญาติโยม ตอนนี้ไปเดียวหลวงพ่อจะทำพิธีบังสกุลนะบังสกุลอุทิศ ส, นะ ส, ส่วนกุศลเนี่ยหลวงพ่อจะซักอเนจาให้พระสงฆ์อเนจาพร้อมกันเนะอเนจาวตาสััขาราอุปดาวายธรรมิโนอุปชิตวานิโรจานติ เต้างบูปสโมสุโคสาเบสตามรันติจามาริงสู้จามริษาเลตเทวหังวริสาามินาธิเมเอตสังสยอออะต่อไปเดี๋ยวหลวงพ่อจะให้พร ท, ทีเดียวพร้อมกันเลยนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะ ก, กาวหว่าวอียงป่าลบ สักน้อยแล้วก็เดียวหลวงพ่อจะให้พอ่อพวกเขานางยืนเน็ดก็ได้นะนางอยู่บนนมะมือหรือจะเตรียมน้ำอุทิศส่วนกุศลก็ได้อหรือจะเอาน้ำใจเลยก็ได้ <c oughs> เอาน้ำใจเนะ่ยดีกว่านา้ อ, อน้ำทีดลิ้นออกไปทางน้ำใจพ่อยพร้อมทางน้ำลิ้นออกไปพร้อมมันเป็นสองแคลมพ์ผู้ข่าในมีนน้ำจิตน้ำใจใสบริสุทธิ์อุทิศส่วนกุศล <c oughs> ต่อผูมิอุปกรคุณคือคุณแม่เต็มคือคุณย่ายของเฮาคุณลาวัณคุณแม่ของเฮานางกีบแล้วก็นายว่องนางมารีนี่แล้วก็คุณรัตนานีา่ยแต่ยังมีชีวิตอยู่พวกเฮาจิตบุญกุศลที่ได้ทาในมณีออก็ห้ยเป็นเกรื่องเกลือกูนนุน ให้อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทีจองกรรมจองเวรใครล่าให้ถอยให้ผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยกรหายจากโรคข้าพยาติ <c oughs> อันนี้เห่านึกคิดจังสันแต่ว่าพวกเห่าเหมือนกับนึกคิดล่มล่มแหลงแหลงเหมือนเราพวกเราทั้งหลายเหมือนกับเรานึกคิดแบบ ลมๆแรงๆที่เรานึกคิดแต่มีความหมายสำหรับอยู่ในระดับเดียวกันก็นกนคือวิญญาณหรือว่านามธรรมหรือว่าดวงใจที่ พ, พวกเราทิดส่วนกุศลอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวสัมมเนนสานุสัมมเนนพอท่านได้บวชเข้ามาเป็นเนนน้อยทำกิจการ ช่วยพระสงฆ์อย่างนั้นพระสงฆ์ก็ให้ขึ้นกล่าวสาธยายพระคาถานพระสงฆ์ก็ฟังให้เนีย น, น้อยเสียงดีขึ้นไปสวดเนีย น, น้อยเนี่ยก็ไม่เคยอิดเอื้อนว่าผมไม่สบายผมไม่พร้อมพอพระสงฆ์บอกเอาสัมมาเดชขึ้นไปกล่าวสารพันยะกล่าวธรรมะด้วยเิเนียนน้อยก็ขึ้นไปก็กล่าวล่ะเออกล่าว กล่าวทำรรอะไรกล่าวอย่าง <c oughs> ส, ดสงวดเสวอาเสวานาจัมบาลานังบันติตานันจะเสวานาปูชาจะปูชนิญานั่นเองสหละคือกล่าวกล่าวทำรรพอกล่าวจบลงแล้วก็เออบุญกุศลที่พระพุทเจ้าได้กล่าวทรรำคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ขอให้เป็นออบุญเป็นกุศลอุทิศกุศลกุศลต่อ ผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าคือคุณพ่อคุณแม่ในอดีตชาติหรือผู้มีอุปการะคุณในอดีตชาติของข้าพเจ้าด้วยเทินสมเาเนนพอสวดจบทุกครั้งอุทิศสวนกุศลให้แต่ในแม่ของสมมาเนนในอดีตชาติเ น, นี่ยเป็นยักษินีเฮ้เออเป็นยักษ์เพราะทำเพราะเกิดตายจากมนุษย์ไปก็คงจะโมโหโกธาอะไรก็ไม่รู้ละ คนเรามันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหะถ้าทําความชั่วแล้วแม่ของสัมมาเนรเลยไปเกิดเป็นยักษ์ k i d n แต่นี้พอลูกชายอุทิศส่วนกุศลให้ทุกครั้งแม่ก็มารับแม่ก็โอ้ลูกชายอุทิศส่วนกุศลให้เทวดาทั้งหลายภูมิลุกขะเทวดาที่มารับส่วนบุญส่วนกุศลที่มาฟังทำสาธยายของสัมมาเนรต่างคนก็ต่างหลีกทางให้ เพราะนี่คือเป็นบุคคลสำคัญของสมมเณรที่เป็นแม่ของสมมเณรถึงจะเป็นยักษ์ต่ำต้อยด้อยศักดิ์รีเนี่ยแต่ว่าสมมเณรเป็นผู้มีศักดิ์ศรีศักดิ์ใหญ่อุทิศส่วนกุศลให้แม่เขาก็ได้มารับนี่แหละอันนี้ก็คือถ้าหากว่าถ้าเราพูดไปเหมือนกับเราพวกเราพูดลมๆแรงๆ แต่ก็มีความหมายสำหรับดวงวิญญาณและดวงใจที่ตกทุกข์ได้ยากอย่างไรเพราะนั้นพวกเราเมื่อมาทำบุญอย่างนี้แล้ว ค, ควรจะอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปการะคุณคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศาคณาญาติญาติมิตรสหายของพวกเราทางว่าผู้ใดดวงวิญญาณใดที่พร้อมที่จะมารับ ส่วนบุญส่วนกุศลจากเราเราก็พร้อมที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณ น, นั้นทกดวงวิญญาณนะถ้าเราอุทิศส่วนกุศลให้อย่างนั้นบุญของเราจะไม่หมดเหรอหลวงพ่ออันนี้คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในสมัยครั้งพุทธกาลก็มีคนถามอย่างพวกเราสงสัยอย่างนี้แหละว่าบุญจะไม่หมดเหรอเมื่อให เมื่อให้เขาไปแล้วเน่ยเมื่อกเราแบ่งเงินให้เรามีเงินอยู่ร้อยบาทแบ่งไปแบ่งมาเอาไปเลยให้มากเลียวหมดเงินในกระเป๋าจะไม่เป็นอย่างนั้นเหรอ ต, ตามไม่จริงพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าบุญกุศลนั้นมันเป็นนามธรรมมันเป็นคุณงามความดีให้เท่าไหร่ก็ไม่มีหมดอท่านเปรียบเทียบเหมือนกับเรามีไฟไฟเทียนเรามีไฟอยู่เล่มหนึ่ง เรียกว่าเรามีดวงใจเรามีไฟอยู่ในใจของเราเหมือนกับเหมือนกับเทียนเล่มหนึ่งเราจุดเทียนอยู่เล่มหนึ่งที่ตัวของเราแล้วคนอื่นมาขอไฟจากเรามาองเขาไฟจะเคยเอาเทียนมาเขาก็มีหัวใจใช่ไหมดวงใจเอาเทียนมาจุดจากเทียนของเราไปเทียนของเรามันพร่องไหมมันหมดไปไหม จดไปกี่ร้อยกี่พันดวงมันกดเทียนของเราก็ยังอย่างเก่าแต่เขาได้ไปไหมเขาก็ได้ไปอีกเออเป็นเทียนอย่างเก่านี่แหละการอุทิศส่วนกุศลจะหมดไม่เป็นเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้มีน้ำใจให้มีเมตตาให้มีการอุทิศส่วนกุศลอย่างนี้ทุกครั้งไปนะนอันนี้ก็คือหลักธรรมคำสอน ที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสได้บอกได้กล่าวเอาไว้นะอันนี้ก็คือตัดความสงสัยสําหรับพวกคณะสัตยาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าที่ว่าสงสัยเมื่อเราอุทิศส่วนกุศลไปแล้วนะ่ะให้ไปแล้วนะ่ะบุญกุศลจะไม่หมดเหรอนะอันนี้ก็คือมีหลักธรรมคําสอนที่ท่านได้ตรัสได้กล่าวเอาไว้อยูนะ่เพราะฉะนั้นพวกเราได้ทําบุญแต่ละครั้งทุกครั้ง ก็ขอให้พวกเราอุทิศสวนกุศลแล้วก็เมื่อวันที่สิบหลวงพ่อได้ลงไปกรุงเทพวันนี้เป็นวันที่สิบสามแล้วนะสัตาศรโยมวันนี้เป็นวันที่สิบสามมกราห้าแปดวันนี้หลวงพ่อลงไปกรุงเทพวันที่สิบมกรา ลงไปถึงสวนแสงธรรมคณะสัทธา ญ, ญาติโยมามาไหว้พระาม า, าสวดมนต์ร่วมในเย็นวันนั้นในเย็นวันที่สิบหลวงพ่อก็ได้กล่าวให้ความว่าวันพวกนี้เราจะทำอะไรบ้างจากนั้นกลวงพ่อก็ได้พูดเกี่ยวกับบุญบารมาีที่พระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญในอดีตชาติ แล้วก็เรื่องพูดเรื่องความบัตรสนเท่ที่หลวงพ่อได้พูดแต่ถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายเปิดเฟซบุ๊กฟังคงจะได้ได้ฟังนะว่าแล้ววันที่เจ็นวันที่สิบแต่วันที่สิบเอ็ดโอ้คนล้นหลามแต่หลวงพ่อลงไปกรุงเทพหลายครั้งแต่ว่าคราวนี้มากที่สุดเพราะมีการหล่อรูปเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช จะนำมาประดิษฐานที่ภูผาแดงองค์นึงแล้วก็นาไปประดิษฐานที่วัดป่าบ้านตาดองค์นึงเพราะนั้นหลวงปู่บุญมีเป็นประธานในการหล่อโลห์เหมือนเจ้าพกุฎสมเด็จพระสังฆราชพระญาณสังบอนที่ท่านสิ้นพระชนไปแล้วนั้นแหละแล้วก็หลวงปู่เลเป็นผู้ปาบรบถันส่งพระลงไปกันเลยไปร่วมกันหล่อวันที่สิอ ตอนเช้านะแล้วกับวันที่11ตอนเย็นท่านจกคุณปู่วิริยังวัดธรรมมงคลก็ให้พระนิมนต์หลวงพ่อไปเป็นองค์แสดงธรรมตอนเย็นพอไปแล้วก็โอ้พี่น้องศรัทธาญาติโยมไม่เคยเห็นคนมากอย่างเหมือนกันใส่ชุดขาวหลวงพ่อก็ได้แสดงธรรมไปเทศอยู่ที่นั่น แล้วก็วันที่ส2องเมื่อวานทาบุญที่บ้านของคุณหลวงคุณหลวงก็มรณะไปแล้วล่ะแล้วลูกชายคนโตคนโตก็ได้จากไปครบร้อยวันแล้วก็คุณแม่ก็ไม่สบายคุณแอดก็ได้ทาบุญอุทิศทาบุญต่ออายุหรือทาบุญ อ, อายุวัฒนะ เมื่อเจ็บไขรได้ป่วยหายแล้วกนะ็ได้ทำบุญเนะมื่อวานนะพอเสร็จแล้วก็หลวงพ่อก็ขึ้นมาเนี่แหละมาถึงวัดเมื่อวานเนี่ยนะนี่แหละเล่าให้ลูกหลานฟังกหลวงพ่อลงไปคราวนี้ลงไปธุระเรื่องอะไรนะพวกลูกหลานก็คงจะสงสัยอยากจะรู้ น, ะนี่แหละอันนี้ก็คือลงไปที่ไหนไปที่ไหนใครๆครก่อ ต้องการบุญต้องการกุศลต้องการคุณงามความดีเพราะนั้นหลวงพ่อลงไปหลวงพอ่อพูดเรื่องคุณธรรมศีลธรรมจ ร, ริยธรรมเรื่องศีลสมาธิปัญญาแต่พูดแต่เรื่องสมาธิอย่างเดียวหรือสมาธิปัญญาหรือจะพูดเรื่องแต่ศีลสมาธิมันก็เกี่ยวเนื่องกันควรบางทีก็สอนเรื่องจริยธรรม จริยธรรมก็คือเรื่องศีลนั่ น, นแหละแต่จะว่าเกี่ยวเรื่องสมาธิด้วยไหมก็ใช่สมาธิก็คือแนวความคิดปัญญาก็คือใช้ปัญญากันกรองไตรตรองเหตุและผลถ้าจะว่าไปมันก็เกี่ยวเนื่องกันเหมือนกับแหนะแหตัวหนึ่งมันมีหลายตาใช่ไหมพอจับตรงหนึ่งก็ถือแห่ทั้งตัวทั้งหลังเหมือนกันมันเป็นโยงใยกัน ถ้าจับจอมแหได้มนกได้แหมันก็นนกนอยู่ในอันเดียวกันพอเหตุใดพอเนี่ยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะไปจับเป็นเอกเทศอย่างเดียวไม่ได้มีแต่ว่ามักสีผลสีนิพพานหนึ่งเท่านั้นน่ะนิพพา น, นคือเป็นเอกเทศจริงเป็นหนึ่งไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเป็นเอกเทศอันนั้นส่วนหนึ่งถ้าานอกจากนั้นลงมาแล้วก็ มันเป็นการเกี่ยวเนื่องโยงใยกันเร e <cole> ื่องทานก็ดีเรื่องทานก็เกี่ยวกับเรื่องศีลเรื่องศีลก็เกี่ยวเรื่องสมาธิเรื่องสมาธิก็เกี่ยวเรื่องปัญญาเรื่องทมคำสอนของพระพุทธเจ้ามันเกี่ยวเนื่องกันอย่างนั้น่ะเพราะนั้นเรื่องศีลก็คือเรื่องจริยธรรมคือความประพฤติเราควรจะประพฤติตนยังไงจึงจะถูกต้องจึงจะเป็นธรรมในการอยู่ด้วยกัน เนี่ยไม่ใช่ว่าทำตามอำเภอใจทาตามอัธยาใจทําตามที่ตนเองอยากจะทําแล้วก็คนอื่นเดือดร้อนพอคนอื่นเดือดร้อนพอคนอื่น เ, เขาก็ไม่พอใจไม่พอใจเขาก็ผูกอาคาดพยาบาทจองเวร น, นั่นแหละมันจะไปเป็นโยงใยไปอย่างนั้นเหมือนกันนะอย่างที่มีนางกุ ม, มาริ ก, กาคนหนึ่งอยู่ในกรุงสาวัตถีเนี่ยอยู่ในชาญเมือง เป็นเด็กกลุ่มมาเลกาคือเป็นเด็กสาวน้อยอยู่ในบ้านและมีคนคนคนเดินทางคนหนึ่งพอเดินทางมาเขาเลยเดินทางไปผ่านฝั่งแม่น้ำอเจรวดีเขาก็ได้ไข่เต่าได้ไข่เต่ามาแล้วก็เขาเลยมาขอต้มต้มไข่ที่บ้านหลังนั้น พอต้อมเสร็จแล้วก็เขาก็เลยแบ่งแบ่งไข่แบ่งไข่เต่าให้กุ ม, มาริกาเอากินพอนางกุ ม, มาริกาได้กินไข่เตา่าติดใจโอ้โหรสอร่อยจริงจริ ง, รงอพอคนเดินทางเขาผ่านไปแล้วีนถึอกุ ม, มาริกาได้อยากจะกินไข่เตาท้๋อแม่ก็ไม่รู้จะทํำยังไง ร้องโ h o ร้องให้กระจององั่งออยากจะกินไข่เต่าอพอในสุดแม่ก็เลยไปเอาไขา่ไก่มาต้มให้กินพอมาต้มให้กินติดไข่ไก่บ้านึงถึงจะไม่เป็นไข่เต่าก็เถอะแต่มันก็รสดีอรสดีออร่อยฮติดไข่เต่า อ, อีติดไข่ไก่จากนั้นก็เลยไปเอาไขา่ไก่ามาต้มให้กินทุกวันไก่แม่นั้นมันก่อน พอมันออกไข่มาเอกมันก็มาเดฟักไงไปต้มออมีิตรอีนางกลุ่มมาเลกาเนี่ยไปกินกินไข่ของมันออไก่ตัวนั้นมันใช่มันไม่ใช่มันไม่มีหัวใจดิมันมีหัวใจเออมันก็มีความโกรธพยาบาทอาฆาตเหมือนกันแต่มันเพียงพูดไม่ได้เป็นภาษาคนเท่านั้นเองแต่ในใจของมันน่ยมันมันเต็มหัวใจเหมือนกัน ที่นางกุมาริกาอีนางกุมาริกาไปเอาเอาไข่มันมากินไนอะไก่ตอนนั้นก็เลยผูกพยาบาทขึ้นมาเอาเธอหนะ้าถ้าหาว่าข้ามีอานาจศักดิ์ศรีเหนือกว่าเมื่อไรข้าะจะกินตัวของเจ้าของลูกของเจ้านะในชาติต่อไปไนงะไก่มันผูกอาฆาตเลยได้ทนะี่แม่ไก่ผูกอาฆาตจากนั้น พอนางกุ ม, มาริกานี่ก็ใหญ่ขึ้นมาก็ตายตายขึ้นมามาเกิดเป็นเป็นไก่เกินไก่ในบ้านนั้นบันอีนางที่เป็นไก่เน่ยเกิดเป็นแมวนะพอกินแมวเสร็จแล้วก็นกินลูกไก่กินไข่ไก่บอกกินไข่ไก่เฉยๆกินทั้งแม่ไก่ด้วยท่านเองทางแม่ไก่นี่ยกัผูกอาคาดกับ แมวตัวนั้นเองตัวนี้ก็ได้ไปเกิดเป็นเสือตัวแมวไดไ้ไปเกิดเป็นแม่วัวผลในสุก็เลยอีลานพันตูกันจนมาเกิดเป็นมนุษย์คนหนึ่งเป็นเกิดเป็นยักษคินีใช่ไม่รู้ใครนั่นแหละเท่นี่ผลในสุกก็ได้มาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไดห้ห้ามทับจับทางมนุษย์มากันอย่างนักขียักษคินีมา มากเลยมัแนะนาสั่งสอนสู่เจ้าเป็นเวนกันตั้งแต่ก่อเรื่องเนี่ยตั้งแต่เป็นไปกินไข่กันเนี่ยถ้าว่าสู่เจ้าไม่ได้มาพบพระพุทธเจ้าในวันนี้นะสู่เจ้าจะต้องก่อเวนกันไปนานเท่านานทีเดียวเวนจะระงับไม่ได้ถ้าหากว่ามีการจองเวนกันอยู่ เวรจะระ ง, งับได้ถ้าหากว่าจุดในการจองเวรเห็นโทษเห็นโทษในการจองเวรเวรจะระ ง, งับอันนี้คือพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสได้เทศให้ยักษ์คีนีกับนางมนุษย์ในวันนั้นาจากนั้นเขาก็ได้จับมือกันซิกแฮนกันว่างั้นเถอแปลว่าลดลาวาศอให้อภัยซึ่งกันละกันาจากนั้นก็เวรก็ระ ง, งับนี่แหละ อันนี้คือถ้าสรุปแล้วก็คือจริยธรรมคือความประพฤติอย่าให้ไปเหยียบย่าทาลายจิตใจของคนอื่นเขา เ, าเรารู้แก่ใจว่าอันไหนจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนทำให้คนอื่นช้ำใจเราก็อย่าไปทําถ้าเขามาทําให้กับเราเราก็ช้ำใจทุกใจ เ, เพราะว่าเรากับเขาน่ก็คือหัวใจอันเดียวกัน เพราะนั้นในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นำมาแนะนําสั่งสอนพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมล้วนแล้วแต่ให้รู้จักการวางตัวเขาเราเราเขาให้มีเมตตาต่อกันอันนี้เลยเออจริยธรรมลูวกศวิลหะก็ 5, ไม่น่าจะผิดเหมือนกันนะมันโยงใหญ่เข้าไปถึงศิลหะแล้วไนดะ้ทีนย สินหะ้าเนี่ยคือเขาเราเราไม่ฆ่าเขาเขาไม่เราไม่ฆ่าเข า, ข า, เ, า, ขาเข า, ขามาอยากฆ่าเราเราอยากขโมยเขาเขาอยากขโมยเราให้เคารพสิทธิสามีภรรยาเขาเราอย่ากโกหกเขาเราอย่าไปดื่มสุราให้ขาดสติเนะยอันนี้เห็นหมนโยงไปถึงสินพโยอ์ไปถึงสินเนี่ยโยงไปหาสมาธิเนะี่ยสมาธิก็คือแนวความคิดนะถ้าทำคำยังไงจึงจิตใจจึงจะนิ่ง สงบดีในเมื่อใจของเราจิตใจสงบดีแล้วมันไปถึงปัญญาอีกนะปัญญาก็ต้องจิตใจที่สงบดีแล้วเนี่ยจิตใจไม่ฟุ้งไม่ฟุ้งไม่ซ่านแล้วเนี่มาเอามาคิดเองทีนี่นะถ้าบอกพาะเราจิตใจฟุ้งซ่านเหมือนกับคนบ้านใช่ไหมคนไม่เป็นสมาธิมันจะคิดดีคิดชั่วคิดถูกคิดผิดได้ยังไงเพราะคนมันบ้าใช่นี่แหละที่คนบ้าคือคือคนไม่มีสติ คนขาดสติคนไม่มีสมาธิในเมื่อคนที่มีสมาธิจิตใจมั่นคงนัวจิตใจมั่นคงแล้วกันนำมาพิจารณาใช้ปัญญาพิจารณากันกรองไตรตรองเหตุและผลกับคนกับเรากับคนการเป็นอยู่การวางตัวก็จะถูกต้องเป็นธรรมเพราะนึกถึงเขานึกถึงเราแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกัน ถ้าว่าเห็นแก่ตัวอย่างเห็นแก่ปากแก่ท้องอย่างนางกุ ม, มาริกาเด็กหญิงนะกินไข่คนอื่นเขานะเขาช้าอกช้าใจขนาดไหนเราไม่รู้ว่าเขาช้าใจขนาดไหนแต่แม่ไก่นี่ยมันช้าใจขนาดหนักเลยพอไข่ออกมาเขาก็รักลูกของเขาเหมือนกันถึงจะเป็นไข่เป็นไก่มันก็รักลูกของมันเนพะราะนั้นสิ่งเหล่านี้นะั้นลูกหลานคณะัตยาติโยมนะให้พวกเรา สำรวมให้พวกเราระวังสำรวมกายวาจาอย่าให้มีพิษมีภัยอย่าให้มีการจองเวรผูกอาคาดพยาบาทจองเวรซึ่งกันและกันจะมีอะไรเกิดขึ้นก็พอจะโยนกันได้ก็้วนให้อภัยซึ่งกันและกันโลกทั้งโลกก็จะร่มเย็นเป็นถูกท่ามีการมีแต่เจ็บอกเจ็บใจมีแต่การผูกพยาบาทอาคาดจองเวรกันอยู่ไม่มีไม่รู้จักจบจักสิ้นละ นี่แหละวันนี้ก็ให้แนวความคิดสำหรับพวกเราคณะตทาญาตโยมทั้งหลายได้ฟังฮะเป็นให้ฟังเป็นแนวความคิดเอาไว้นะเมื่อเราเห็นว่าเออใช่ถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างขนาดใดขนาดหนึ่งแล้วก็ย้นให้อภัยก็จบไปนะต่อนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุมโมทนาให้พ่อนะัติเนอร์แล้วก็ให้ อุทิศส่วนกุศลนันลูกหลานเน่มีชื่อคุณยายติมกูหาทองนางลาวันเอียสศกุลนางกีบแช่ตั้งนายบองจักเมง้งนางเมลินีแช่ตั้งนะพระสงฆ์เจ้าอนุโมทนาอุทิศส่วนกุศลให้พวกเราอุทิศส่วนกุศลแล้วก็พร้อมกันก็นางรัตนาค้ำคูนนี่ก็ผลป่วยอยู่อเมริกาไง เบื่องนะ้าให้พันรับส่วนบุญส่วนกุศลเนนะ้าให้หหายจากโรคห้าปียาด <c oughs> ตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาเนะ้อลูกหลานเนะ้อ